อย่า ใ, ใกล้กันเลยก่อนที่ใครสักคนจะคิด น้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่สามสิบผลสำรวจออกมาละบริษัทประกันภัยในอังกฤษแห่งหนึ่งระบุว่าคนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตไปจนถึงสี่สิบกว่าจะเป็นตัวของตัวเองมีสมบัติพัะสถานที่ต้องการได้ครบถ้วนถ้าอายุน้อยกว่านั้นอยากได้อะไรต้องอดออมเอา หรือไม่ก็ต้องบากหน้าไปกู้ยืมจากไหนให้เป็นหนี้เป็นสินอีกข่าวหน้ากลุ่มชิ้นเนี่ยค่อนข้างสะท้อนความจริงเกี่ยวกับชีวิตประการหนึ่งนั่นคือคนเราจะอยากมีตอนไม่มีแต่เมื่อมีขึ้นมาก็หมดอยากเสียแล้วคิดถึงวัยเด็กจะชัดหน่อยคุณอยากได้ของเล่นชิ้นโน้นชิ้นนี้ ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของพ่อแม่ว่ามีเงินทองมากพอจะซื้อหามาให้ได้หรือไม่และแม้พ่อแม่จะมีพอซื้อให้ก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ในอารมณ์เต็มใจซื้อให้ทันทีหรือมีเงื่อนไขอื่นใดสักกี่ข้อพอโตขึ้นมีรายได้เป็นของตัวเองพอจะซื้อของเล่นเด็กไม่อันคุณก็หมดความอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นเสียแล้วเมื่อเริ่มทางานเริ่มมีรายได้ คุณจะอยากได้สิ่งอื่นซึ่งเงินของคุณมีไม่ถึงเช่นบ้านหลังงามในอนาเขตส่วนตัวรถหรูขับสบายไม่น้อยหน้าใครสิ่งเหล่านี้มีไม่กี่คนในโลกที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตนเองตั้งแต่ต้นวัยต้องรอเกือบ40หรือ40กว่าจึงผ่อนบ้านได้หมดสบายใจสิกทีว่านี่เป็นของตัวเองแน่แล้วและในความเป็นจริงอีกเช่นกัน ที่ปัจจุบันคนเราเริ่มมีชีวิตอยู่ถึง40กันน้อยลงทุกทีคนจำนวนมากด่วนตายไปซะก่อนจะได้ในสิ่งที่อยากได้หรือเมื่อพร้อมจะได้มาก็ดันหัวใจวายเพราะมัวทำงานหนักขอ น, นี่ไม่มีวันหยุดหากชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40ปีก็แปลว่าหลายคนไม่ทันได้เริ่มต้นชีวิตกันเลยไม่ได้รู้จักความเป็นตัวของตัวเองเต็มภาคภูมิกันเลย แน่นอนว่ากรรมดีบางอย่างอาจทำให้ใครบางคนคาดช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่แต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาลิ้มรสของความมีอย่างเต็มภาคภูมิเพราะตราบใดที่สิทธิในการใช้ทรัพย์สินเงินทองยังไม่อยู่ในมือพวกเขาพวกเขาก็จะรู้สึกครึ่งๆกลางๆอยู่ในความไม่แน่ใจว่าตนเองมีแค่ไหนกันแน่หรือไม่มีอะไรอยู่บ้างชีวิตจึงเป็นความขาด เป็นความพร่องสําหรับคนส่วนมากเมื่อวัดกันที่เงินทองแต่หากคุณรู้จักความสุขในการมีธรรมะตั้งแต่ต้นวัยเข้าใจว่าทาอย่างไรจึงจะหยิบฉวยความสุขจากสติรู้ความจริงชีวิตของคุณจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดก็ได้อาจจะก่อนสิบขวบยังไหวสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้ามีชีวิตอยู่วันเดียวเยี่ยงบัณฑิตผู้เท่าทันความจริงเกี่ยวกับกายใจตนเองว่าเป็นไปตามกรรมไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่อาจบังคับให้เป็นไปดังใจยังดีเสียกว่าการมีชีวิตตั้งร้อยปีโดยหลงนึกว่าชีวิตเป็นของเที่ยงเป็นของตนเป็นของที่จะให้บังคับเอาได้ตามปรารถนา บทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่48เสียงอ่านโดยโจโฉ คิดได้ก็สายไปเสียดได้เธอคิดชีวิตต้องอยู่อยาไกเลเสียดได้คนตายเธอต้องจเป็นไหมต้อรู้มีคงไม่ไอความจิงสิบพอบอไว้ลับ ไม่เท่าคุณค่าทีเกินเป็นคนนั้นก็ปล่อยมันไป